ถามว่าความรู้สึกตัวเหล่านี ogni, Fifth, old, S, ้สมัยที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติหรือสมัยที่ยังไม่ได้เรียนรู้เรามีไหมมีแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวล้วนเป็นความรู้สึกตัวที่ไปกับความคิดไปกับความรู้สึกไปความรู้สึกอยากนะทุกคนมีความรู้สึกตัวมาแต่กำเนิดแต่ว่าความรู้สึกตัวนี้ไปรับใช้อะไรไปรับใช้สรรชาติยานหรือไปรับใช้ความเคยชิน เรารู้รู้สึกแต่ว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมนได้มันก็เข้าไปอยู่ในความคิดเรียบร้อยแล้ววันนี้ตื่นมาเราจะทําอะไรเราจะไปไหนเราจะกินอะไรเราจะทํากับใครไปพบกับใครงานอะไรไปนั่นเลยนี่คือความรู้สึกตัวที่ไม่สามารถจะเป็นอิสระได้พอเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ถูกความคิดความเคยชินดึงดูดไปไปเป็นทาตุของมันหมดมันไม่มีโอกาสตั้งตัว ความรู้สึกตัวหรือแสงสว่างตรงนี้มันก็เลยถูกดูดไปกับความคิดาการปรุงแต่งตลอดเวลาดังนั้นการมาจัดลิทิศมาปฏิบัตินี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะมาสร้างความคงที่ของความรู้สึกตัวโดวยไม่ให้ตกไปเป็นาธาตุของความเคยชินและความคิดนี่คือความยากของมัน เพราะตลอดชีวิตขอเราเนี่ยเข้าไปอยู่กับความเคยชินจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินจะเหินจะพูดอะไรนั่นก็ไปเพราะมันโดยอตัตโนมัติเลยเราไม่เคยมาเฝ้าดูว่าทำไมเราจึงนั่งทําไมเราจึงเดินทําไมเราจึงพูดทําไมเราจึงคิดทําไมเราจึงช้าทําไมเราจึงวัยเราไม่เคยมาตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เลยแต่พอมาปฏิบัติเราต้องมาตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เราจึงเรียกว่าสร้างตัวที่สองมาผู้ดู สร้างตัววิชเชอขึ้นมาสร้างตัวผู้ดูขึ้นมาในการอดูการเคลื่อนไหวว่าการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาตลอดชีวิตเป็นการเคลื่อนไหวของความเคยชินไม่ใช่เป็นการเคลื่อนไหวภายใต้สติสัมปชัญญะเมื่อมาปฏิบัติความยากของมันก็คือก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องมีการเฝ้าดูว่าห <c oughs> <c oughs> นเคลื่อนเคลื่อนไหวเพราะอะไร ทำไมไมันจึงเคลื่อนไหวเนี่ยมันโจุดอันแรกมันเริ่มตั้งขึ้นมาตรงนี้เลยแต่ถ้าเราไม่เริ่มจริงจังกับโจทย์ตัวนี้นะการปฏิบัตไิไว้ก็ก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าเราไม่ได้ทําโจทย์ตามลําดับเหมือนกัร น, นักเรียนเรียนหนังสือก็ต้องมีการสอบตอบปัญหาถ้ามีการสอบตอบปัญหาได้ถูก ความก้าวหน้าก็เกิดขึ้นถ้ามีการตรวจสอบปอบัญหาไม่ถูกมันก็ซัมชั้นอยู่อย่างนั้นปฏิบัติเท่าไหรทเท่าไรก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรก้าวหน้าเพราะว่าเราไม่ได้ขบวนการการตรวจสอบหรือการศึกษานามธรรมไม่ต่างไปจากรูปธรรมไม่ต่างไปจากนั้นแต่ว่าวัตถุที่ตั้ง น, นมันต่างกันอันหนึ่งเป็นรูปรธรรมอันหนึ่งเป็นนามธรรมเท่านั้นเอง <c oughs> อันหนึ่งเป็นสิ่งที่เป็นวิสิบูเห็นได้อันหนึ่งเป็นเป็นอินวิสิบูมันเห็นไม่ได้ กระบวนการอันเดียวกันดังนั้นเองในการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปทําอะไรที่แปลกประหลาดหรือเป็นทําอะไรที่พิเศษแต่ว่ามาเป็นการศึกษาโดยเองอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็เห็นกระบวนการการศึกษาก่อนเป็นอันดับแรกดังนั้นในวิธีการการศึกษาที่เรานํามาใช้ที่นี้ก็คือการเคลื่อนไหว สังเกตการเคลื่อนไหวเพราะมันเป็นรูปประธรรมและนามธรรม ท, ที่เห็นได้ชัดเพราะตัวนามธรรมนั้นเราไม่คุ้นเคยมาก่อนก็อาศัยรูปประธรรมเป็นสื่ออันนั้นคือการเคลื่อนไหวของกายเป็นสื่แต่ในสมัยก่อนนั้นเราใช้การเคลื่อนไหวของลมหายใจซึ่งมันไม่พอเพราะการเคลื่อนไหวลมหายใจนั้นละเอียดอ่อนแล้วก็แผ่วเบามากแต่ว่าอารมณ์และจีใจของเราซึ่งมันไวมันหยาบมันเร็วมันไป โดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยลำพังแต่การเคลื่อนไหวของลมหายใจที่เรานํามาเป็นสื่อเพื่อการสร้างแสงสว่างให้กับจิตมันไม่พอแล้นั้นมาอพบในสมัยปัจจุบันมาพบวิธีการของหลวงพ่อเทียนเราก็โชคดีมหาศาลแล้ ว, ว ม, าาลมาเองทํำไมพบวิธีการลื่อนไหวมาเองก็ไม่เป็นผู้เป็นคนมาได้ขนาดนี้เพราะอะไรเพราะจิตของเรามันยากจิตของเรามันมันมันซัดสาย วันไหวไม่มีที่เกาะเกี่ยวที่มั่นคงแต่พอได้การเคลื่อนไหวทางรูปธรรมทางกายเป็นที่เกาะเกี่ยวที่มั่นคงชัดเจนเห็นชัดมันก็เลยการฝึกจิตก็เป็นไปได้เร็วนะเป็นไปเร็วเหมือนกับเรานะว่ายน้ําถ้าเรามีทุนเล็กๆ เ, เราว่ายน้ํายังไม่เป็ี่ยนตแรกนะถ้ามีทุ่นเล็กๆ เ, เราไปเกาะไปเกี่ยวคำท่าจะจมอยู่แล้วพราะมันทานน้าหนักของเราไม่ได้มันจะดึงของเราจม เราตัวเราสักร้อยพาวแต่ทุนที่เราจะเกาะเกี่ยวอย่าห้าพาวสิพาวเนี่ยไปเกาะมันพับมันไปขาเลยจมแต่ถ้าเราร้อยพาวเรามีทุนมันหนักมันรูทุนมันมากมันใหญ่พอเป็นโฟมเราไปเกาะเกี่ยวก็ลอยได้สบายเพราะนั้นตัวอารมณ์ที่เรายึด ม, มาเป็นลิมิตอารมณ์เหมือนทุน เมื่อก่อนเราใช้ลมหายใจเป็นทุ่นเกาะเกี่ยวจิตมันทํำท่าจะทําให้จิตของเราวอกแวกวันไหวไปสู่อารมณ์ง่ายๆพาเราจมนั่นเองจมไปสัวดิจมไปสัวน่าขอแต่พอเรามาใช้การเคลื่อนไหวของกายในเะอเดโวสียืนเดินนั่งนอนกายสร้างจะงหวะเป็นการเคลื่อนไหวเราเหมือนได้ทุ่นใหญ่ๆเกาะเราไม่จมเกาะเราเราก็ขึ้นขี่ได้แบบอย่างอย่างรถยนต์ขึ้นขี่ได้ลอยสบาย เพราะฉะนั้นเราก็ไม่กลัวเลยว่าจะจมลงไปในสู่น้ําน้ําหนักเรามากเท่าไหร่เราก็ไม่กลัวเพราะทุนเรามันใหญ่เพราะฉะ น, นั้นเราจึงมีความพอใจในการที่นั่งสร้างจังหวะนานๆเอนจอยกับมันเราจึงมีความพอใจในการเดินจูงกลมนานๆเอ็นจอยกับมันแต่แน่นอนว่าการเคลื่อนไหวที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยการนั่งสร้างจังหวะนานๆเดินจูงกลมนานๆมันไม่ใช่ปกติวิสัยของเรา เพราะว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยเรามีการเดินก็จริงมีการทํางานก็จริงแต่เราเดินและทํางานการเคลื่อนไหวภายใต้ของความคิดและความอยากแต่เดี๋ยวนี้เรามีการเดินและการเคลื่อนไหวภายใต้ของการไม่อยากนี่แหละคือมันอาเก็นกันอยา่างแรงคือภายใต้ของเขามไม่อยากภายใต้ของสรดิสัมภัญญะมันก็ไม่คืนคุ้นเคยเรารู้สึกเบื่อวัยเมื่อยไวัยขี้เกียจวัเพราะจิตของเรามันไม่คุ้นเคยดังนั้นในช่วงแรก ก็ต้องฝืนกันหน่อยแล้ฝืนให้มันให้มันสนุกแต่ขณะฝืนนี่เราก็มีวิธีแก้ของเรานั่นก็คือกพยายามเฝ้าดูในส่วนที่มันดีมันผ่อนคลายถ้าการเคลื่อนไหวเรามีมาตลอดชีวิตเราก็ไม่เคยเบื่อแต่ทําไมอาการเคลื่อนไหววันนี้เราถึงเบื่อง่ายก็เพราะมีความแตกต่างเมื่อก่อนเราเคลื่อนไหวตลอดชีวิตเราไม่เคยรู้สึกเบือ่อเพราะเป็นการเคลื่อนไหวภายใต้ความอยากและความเคยชิน มันก็ดูเหมือนง่ายเพราะมันข่องงมงำเรามา <c oughs> แต่นี่เรามาเคลื่อนไหวภายใต้ของความไม่อยากและความไม่เคยไม่คุ้นรู้สึกมันยากก็เป็นของใหม่ที่เราจะต้องพยายามแต่นั้นเองมาหลังจากคุ้นเคยและเข้าใจหลักการอันนี้มาก็รู้สึกโ อ, อ้ชีวิตเราลอดละตลอชีวิตนี้เราจะไม่ถุกอีกต่อไปละมันก็เราลอยการทะเลกลางแม่น้าเรามีทุนนันใหญ่มีเรือใหญ่ขึ้นเรื่อย เราก็ไม่กลัวจะมีพายุบุแคมมีน้ำไหลเชี่ยวขอาดไหนก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าเรามีเรือมีทุนใหญ่เป็นที่พึ่งอาศัยด้านนั้นเองก็น้าอนุโมทนาที่โยมมีความฟักไฟใน ด, ด้านนี้สั่งสมบุญกุศลม า, มากพอสั่งสมความฟักไฟนี้มาม า, มากพอก็ได้มาต่อเติมได้มาศึกษาเรื่องนี้ พวกกัตมาเป็นพระสงฆ์ที่นี้ก็ได้พิสูจน์กันมาคนละห้าปีสิบปียี่สิบปีจนมั่นใจว่าจะไม่ทําให้โยมหลงทางได้แหลจะจึงมาบอกกันดังนั้นเองในเบื้องต้นที่สุดนี้ก็เหมือนนึกว่าเรามาศึกษาของใหม่ถึงแม้โยมจะทํามานานแล้วก็ตามเหมือนกับโยมเคยพึ่งพาทุนเล็กๆมานานแล้วแต่ว่ามันยังไม่เกิดความมั่นใจแล้วก็มาเปลี่ยนทุนให้เป็นทุนใหญ่ขึ้นอ เมื่อมันทุนใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องทํามากหน่อยอมันเหมือนการทาของเล็กให้เป็นของใหญ่มันก็จะทําเหมือนเดิมไม่ได้ละมันจะเดินมากกว่าเดิมนั่งมากกว่าเดิมอเรารมัดระวังมากกว่าเดิมสิ่งที่เราเคยลื่นไหลไปได้ความรวดเร็วเราก็ผ่อนให้มันช้าลงสิ่งไหนที่เราเคยพูดเคยหรือแล้วก็ลดน้อยลงอันเนี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเอง ในหลักอันที่สองคือการเฝ้าดูเวทนาอันนี้เราก็จะว่าเป็นวันๆไปแต่ว่าเรื่องการเฝ้าดูกายนี้เราก็คิดว่าดูเป็นกันบ้างละแต่ว่าเฝ้าดูอย่างไรถึงมันจะจิตมันถึงจะอยู่ได้ตรงนี้สำคัญคือเฝ้าดูนส่วนหยาบๆความจริงในขึ้นในในใ น, ในส่วนกายนี่ท่านแบ่งการเคลื่อนไหวไว้ถึงหระดับ การเคลื่อนไหวของระดับที่หนึ่งคือการเคลื่อนไหวของลมที่มันต่อเนื่องโดยเป็นธรรมชาติเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็เคลื่อนไหวของมันอยู่อย่างนั้นเรียกว่าอนนาปาเกินเคลื่อนไหวระดับที่สองที่อยากมากกว่านั้นอีกก็คือการเคลื่อนไหวของอิเดียบอดซยืนเดินนั่งนอนเป็นการเคลื่อนไหวระดับยาวขึ้นมานะ การเคลื่อนไหวระดับที่สามเรียกวาการเคลื่อนไหวของระเบียบบกย่อยในขณะเรายืนเดินนั่งนอนมีอิริบุตรช่วอยงภาพตาอ้าปากหายใจเหลวซ้ายแรงขวาก้มเงยพลิกซ้ายพลิกขวาขยับนั่นขยับนี้เราก็ต้องดูนี่การเคลื่อนไหวระดับที่สามการเคลื่อนไหวระดับที่สี่เป็นการเคลื่อนไหวของอาการสามสิบสอง หมายถึงว่าในตัวของเราตั้งแต่หัวจนเท้ามีสามสองส่วนเนี่ยตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังอะไรต่างมันก็เคลื่อนไหวของมันตลอดเวลาเลือดลมเราก็เข้าไปดูการเคลื่อนไหวระดับละเอียดเข้าไปอีกการเคลไหวระดับที่ห้าคือการเคลื่อนไหวของธาตุสี่ดิด น, น้ำรุงไฟเรารู้สึกเจียนร้อนอ่อนแข็งเค็ ง, งตึงรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยรู้สึก ได้ถึงเรื่องของธาตุสีในส่วนไหนที่เป็นธาตุดินแล้วนั่งได้เข้มแข็งหยาบในส่วนไหนที่เป็นธาตุน้ำมันเอิดอาบไหลลื่นผสมประสานในส่วนไหนเป็นธาตุไฟรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนในส่วนไหนเป็นธาตุไฟเย็นร้อนอ่อนแข็งในสม่มนใธาตุลมเราขึ้นไหวไหวได้เนี่เป็นเพราะธาตุลมนี่คือการเคลื่อนไหวของธาตุสี เรียกว่าการเคลื่อนไหวของอาการ12และท่า4และการเคลื่อนไหวระดับที่6ของกายคือการเคลื่อนไหวของเสียอของเสียในร่างกายมันคําเอามันไหลออกตลอดเวลาขีตาก็ไหลออกตาขี้หูก็ไหลออหูขี้ฟันก็ไหลออกฟันอร่างกายก็มีขี้เหงื่อขี้ไข้ไหลออกอทวัรหนักทวัรเบาไหลออกลมหายใจเก่าลมหายใจใหม่ไหลออกเข้าออกตลอดเวลา ให้มาพิจารณาการเคลื่อนไหวถึงหกระดับนี่ยตลอดนี่ในส่วนของกายที่ท่านว่าไว้ตามตาราแต่ที่นี้ถ้าหากว่าในภาคปฏิบัติจริงเรามานั่งดูเคลื่อนไหวทีละอย่าไม่ได้ไม่สับสนมันไม่สติและไม่พอขนาดนั้นเราก็มาดูการเคลื่อนไหวแยกๆเพื่เรารู้ได้ง่ายๆเช่นการเคลื่อนไหวของเออ่ลมหายใจการเคลื่อนไหวของทั้งหมดทั้งหกอย่างหลวพอเทียนเทนมารวมแค่สองอย่างการเคลื่อนไหวของ การการเคลื долларов, Emmanuel, ia, aan, flying, ่อนไหวของเท้าการมาของฝ่ายมือก็มานั่งสร้างอย่างหวะการเคลือวของเท้าก็มากําหนดรูดันเดินจงกุมเอาแค่สองอย่างนี้พอมันง่ายดีพอทำสองอย่างนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นมันจะขยายไปหาอีกสามสี่อย่างที่เหลือของมันเองโดยโดยตรงวันอเหมือนกับเราจะอติดไฟหุงข้าวที่ฟืนเ เราไม่ต้องไปเผาฟืนทั้งรุ่นจุดแค่นิดเดียวไฟมันค่อยกินค่อยลามไปดเรื่อยหรือเราจะเปิดแกด๊สเปิดไฟฟ้าหุงข้าวเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเอาไฟมาเผาไอแผงเหล็กแค่กดสวิตซ์นิดเดียวเนี่ยไฟมันก็ลามไปทั่วชั้นใดก็ดีการที่เราจะไปดูการเคลื่อนไหวทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยเราจะไปดูทั้งหมดไม่ได้เพราะเราจะเครียด แต่พอเรามาดูการเคลื่อนไหวเบาๆสบายๆที่มือเนี่ยจุดเล็กๆที่การเคลื่อนไหวที่มือไอความรู้สึกที่การเคลื่อนไหวที่มือมันก็ค่อยกินค่อยลามไปสู่ในส่วนอื่นของมันเองโดยอัตโนมัตินะอันนี้คือวิธีการดูการเคลื่อนไหวในส่วนกายนั่นก็หมายของว่าเราจะต้องต่อสู้กับความเคยชินของตัวเองมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยหรือไม่ใช่เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็ตามละพอเผลอมแมลงวันคิดไปเมื่อนั้นจิตของเรามันก็สไลดออกสไลดเอาสไลด์เข้าสไล อินสไลเอาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาทีนี้เราก็จะต้องมากําหนดรู้ปัจจุบันเนี่ยให้ชัดนะในการเคลื่อนไหวในส่วนกายการเคลื่อนไหวในส่วนเวทนาอันดับที่สองคือเป็นอีกนิมิตหนึ่งอันหนึ่งนี่คือเอากายเป็นนิมิตกายเป็นนิมิตการเคลื่อนไหวทั้งหกระดับมาเหลือแค่สองเดินจงกรมสร้างจาังหวะที่การเคลื่อนไหวระดับสองมาเรื่อการเคลื่อนไหวของเวทนาก็จะมี แค่สามระดับคือความสบายไม่สบายแล้วก็เฉยเฉยบางครั้งเรานั่งอย่างนี้นานๆก็ไม่สบายก็ดูความไม่สบายเป็นนิมิตเปลี่ยนไปนิดมันเริ่มสบายก็เอาความสบายนั้นเป็น น, นิมิตหรือบางครั้งมันก็เฉยเฉยจะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่จะว่สุขก็ไม่ใช่จะว่าปวดก็ไม่ใช่ไม่ปวดก็ไม่ใช่ดูมันสบายๆายก็เรียกว่านั่นก็เป็นนิมิตได้แล้วก็ดูนะเพราะกายของเราเนี่ยมั น, มนเหมือนคนป่วย เดีเราต้องบำบัดมันตลอดเวลานะาเดี๋ยวนั่งนานก็เจ็บเดินานก็เจ็บนั่งนานก็อึดอัด น, นอนนานก็อึดอัดมันป่วยให้เราเห็นตลอดเวลาเราก็เอาการเจ็บป่วยของกายโลกโดยธรรมชาติเนี่ยมาเป็นนิมิตการกรหนุูน้แต่ว่ากระหนุู้ว่าอ๋อไม่ใช่เราเจ็บเราป่วยแต่อันนี้คือเป็นอาการอาการของอะไร อาการของอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดให้เราเห็นนะแต่ถ้าเราแปลว่าไปแ ป, ปเป็นอาการของเรา <c oughs> เจ็บของเราป่วยของเราไม่สบายของเราเนี่ยมันมีอัตตาอยู่ในนั้นเราก็จะหงุดหงิดไม่พอใจนานไปก็หงุดหงิดลำคานพอเราไปเห็นว่ามันเป็นเรามันจะเกิดเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นแต่เราเห็นว่าเป็นเพียงอาการบำบัดมันไปเรื่อยๆได้แค่ไหนเอาแค่นั้น เราไอ้ตัวที่เข้าไปรู้ไปดูไปเห็นอาการเหล่านั้นจิตของเราก็จะสังสมสติสมิญญามากขึ้นเลยเรืเ่อยๆเพราะเอาตัวอาการเหล่านั้นมาเป็นนิมิตพ่อปูนตัวสติสมัมัญญานี่คืออันที่สองดูความสบายไม่สบายดูความเฉยๆของอาการเวทนาทางกายเวทนาของจิตก็เป็นตามทางกายนั่นแหละกายสบายเวทนามนก็สบายใจกายไม่สบายใจมันก็ไม่สบาย ในระับอันที่สามที่เราจะต้องเฝ้าดูอันนี้พูดถึงสถานที่นะสถานที่ดูสถานที่อันที่สามคือดอูคือจิตของเราขณะที่เราปฏิบัติหรือขณะที่เรานั่งฟังในจิตของเราเป็นไงไหลเข้าไหลออกจิตมันคิดอะไรบ้างก็ดูอาการมันต่เห็นอาการอันนี้ก็ภาคปฏิบัติที่ละเอียดขึ้นถ้าหากไวสติ ปัญญาที่เราปฏิบัติจะไม่เข้มแข็งพอเราจะไปดูอาการของฉีดก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าก็ดูไว้ดูเท่าที่จะดูได้ร้อยหนึ่งอาจจะดูได้ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีเพื่อให้สังสมความทักษะนะความชำนิชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆนะบางครั้งมันก็คิดบางครั้งมันก็ไม่คิดอาการไม่คิดมันเป็นอย่างไรดูถ้ามันคิดมันเป็นอย่างไรอาการที่มันมีคิดอย่างมี สติเป็นยังไงคิดอย่างขาดสติเป็นยังไงก็ดูอาการของจิตนี่เขเรียกว่าดูอาการของจิตการเคลื่อนไหวของจิตการเคลื่อนจิตมันก็จะเคลื่อนไหวได้ไวกว่ากายเคลื่อนไหวได้ไวกว่าเวทนาอันนี้คือตัวสำคัญซึ่งเราก็ไม่ได้ไปมองมันมากเท่าไหร่เพราะกำลังของเราไม่พอเมื่อกำลังสติมันยังไม่พอไปเฝ้าดูคิดไม่ไหวเราจะสับสนวุ่นวาย สถานดูที่สามสถานดูที่4เรียกว่าอารมณ์หรือ emotion เม่อกีเราดู m ม n d นี่วาดูอ m o t คืออารมณ์ตื่นขึ้นมาช่วงช้า จ, จนจดจนถึงขณะ น, นี้แล้วก็ถามตัวเองว่าเราอารมณ์เราเป็นยังไงอารมณ์ดีหรือไม่ดีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสหรืออารมณ์เศร้าหมองหรืออารมณ์ปั่นป่วนวุ่นวายเป็นยังไงบ้างก็ดูหรืออารมณ์เฉยเฉยก็ดูเพราะนั่นการเคลืนไหวอารมณ์ยิ่งละเอียดก็่รคลื่อนไหวของจิตอีก นะเพราะว่าอาการของอารมณ์เนี่ยเป็นอาการของจิตนั่นเองนะมันก็ยิงละเอียดลงไปอสมมุติว่าอาการของไฟแล้วก็เห็นไฟแต่ว่าไฟเวลาเราเห็นแล้วเนี่ยอาการเป็นไงมันร้อนความร้อนเรามองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้เท่านั้นเองแต่ไฟเรามองเห็นเห็นเป็นปเปลวนะแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของอารมณ์ความร้อนก็กระจายออกก็มาเป็นอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ร้าย อารมณ์ดีแล้วสมมุติว่าอารมณ์ไฟเย็นเหมือนกับไฟฟ้าเนี่ยเปิดแล้วมันก็ไม่มีความร้อนอารมณ์ร้ายเหมือนกับไฟร้อนได้เหมือนเราสุมกองไฟเนี่ยอาการของความอุ่นความร้อนก็ปรากฏเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าอารมณ์ก็ดูไปสามสี่อย่างเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติในแต่ละวันก็ก็มีที่เราเข้ารีที่นี่ก็คือคือมาเพื่อที่จะให้อา พี่เลี้ยงหรือผู้ที่มีปฏิบัติมาก่อนเนี่ยาเป็นพี่เลี้ยงหรือมาช่วยให้เราได้ประครับประคองให้เราได้ไปใช้ประสบการณ์นี้อย่างถูกต้องท่านนเรียนถ้าเราจะทําที่บ้านเราอาจจะไม่มีเพื่อนที่จะมีประสบการณ์มาประครับประคองเราแล้อาจจะทําบ้างไม่ทาบ้างทําถูกบ้างผิดบ้างไม่เห็นผลชัดเจนแต่เอเรามาฤทินมาอยู่วัดที่เรามีพระสูงที่มีประสบการณ์มาก่อนมาเป็นเพื่อนคอยให้คําแนะนําเราก็จะเห็นความก้าวหน้าได้ชัดเจน อันนี้คือเหตุผลของการที่เรามาสู่นิทรรานจะเห็นว่าหลักเหตุผลขั้นตอนของการปฏิบัติทางการเจริญสติก็มีขั้นตอนของมันอย่างนั้นแต่ว่าเราอย่าไปไปวิตกกังวลกับมันมากเอาตัวหลักๆว่าความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวแค่นี้พอล ะ, อะแต่ว่าที่อธิบายอะไรไปมากนั้นก็เหมือนกับเราอธิบายเรื่องลดยา น, นั่นเองควคนจริงกินยาไม่ยากแค่ยก ใส่ปางดื่มก็เรียบร้อยแต่ฝอยและคอดิชั่นอะไรที่ปรากฏอธิบายในความคุณภาพหรือการใช้ของมันอาจจะใช้หนังสือไปเล่นเล่นอธิบายยาเพียงขวดเดียวนะแต่คนยิงเรากินแค่ช้อนเดียวเนี่ยไม่ต้องการคำอธิบายเรารู้ชัดว่ า, อายอ้นี้แก้ไขโรคอะไรแก้อาการอะไรก็ก็ทานเท่านั้นเองเหมือนกันนะ อาการที่ว่ามีความรู้สึกตัวรู้ทั่วพร้อมเพื่อให้จิตมาก่เกี่ยวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เป็นปัจจุบันแค่นั้นจบไอคําพูดอะไรต่างๆอาจจะเป็นตำราอธิบายอาการแค่นั้นเป็นหนังสือไปเล่มๆก็ได้แต่ว่าอาการจริงๆแค่ว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตมารับรู้แล้วจิตไม่มารับรู้ในปัจจุบันแล้วไม่ปุ่งแต่งไปอดีตอนาคตแค่นั้นน่ะการกระทามันมีอยู่แค่นั้นนะเมื่อเราเข้าหมดหลักได้แค่นี้เราก็ มนเทนรักษาไว้ทำไปเรื่อยๆแต่ในช่วงที่ทำมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นตลอดเพราะอะไรเพราะว่ากายนี้จิตนี้มันเป็นไปตามกฎของสัจธรรมที่เรียกว่าไตรลักษณ์การเปลี่ยนแปลงหรือกว่าอ น, นิจจังณขณะเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีการเจ็บป่วยติดตามมาการไม่สบายติดตามมาเรียกว่าทุกครขัง แล้อาการเจ็บป่วยการไม่สบายนี่มันก็ไม่ได้อยู่คงที่มันก็แตกดับไปเรียกว่านาตาแล้วมันก็เริ่มต้นขึ้นมาอยู่เงี้ยเป็นขบวนการเป็นคลื่นเป็นกระแสอยู่อย่างเงี้ยกระแสคลื่นของความเปลี่ยนแปลงเราก็อาศัยเอาตัวกระแสคลื่นของการเปลี่ยนแปลงนี้ทั้งทุกขั้งนาตามาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนาเมื่อกี้เราเฝ้าดูอาการทั้งหกการเคลื่อนไหวทั้งหกของา ร, ร่างกายเขาเรียกว่าสมถะ แต่ในเมื่อจิตของเราละเอียดขึ้นเห็นกระแสของความเป็นอนิจจังทุกขังนตาในการในใจได้ชัดเจนแล้วจับเอานั้นมาเป็นตัวนิมิตในการเฝ้าดูเขาเรียกวเป็นวิปัสนาะตัวอนิจจังทุกขังตาเป็นนิมิตของวิปัสนาตัวการเฝ้าดูกายเวทนาจิตและอารมณ์เป็นนิมิตของสมรรเพราะนั้นตัวปฏิบัติทําสมรถรวิปัสนาที่ถูกต้องมันจะสอดคล้องกันไป แต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ถูกแปลมันจะแยกส่วนกันอพิจารณากายกไม่ไม่สนใจในเรื่องจิตพิจารณาจิตก็ไม่สนใจเรื่องกายเนี่ยเขาเรียกว่ามันแยกส่วน <c oughs> มันไม่ถูกนะพเพราะฉะนั้นเองพุทธมาที่ได้ศึกษาปฏิบัติเรื่องนี้มานานเนยะก็มีความมั่นใจว่าเราจะไม่ไปผิดทางในคําสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วก็แล้วก็พิสูจน์กันมา ว่าคําสอนของพุทธเจ้านี่สามารถที่จะทําให้รู้แจ้งเห็นจริงในตัวเราเองแล้วก็เราก็ได้เส่วยผลในความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นความสุขความสงบความไม่ทุกข์แล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์นี้ให้กับคนอื่นร่วมกันโดยการเอาไปฝึกฝนปฏิบัติก็พุทธศาสนาก็สืบทอดกันมาอยู่นี้สองพันกว่าปีไม่มีการเสื่อมคลายมีแต่จะเจริญมากขึ้นถ้ายังมีผู้ปฏิบัติ แต่ใดที่มีผู้ปฏิบัติและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องผู้ศาันาก็ยังคงอยู่ตามนั้นแต่เมื่อใดถ้ามีการปฏิบัติไม่ถูกมีมิจฉาทิฏฐิขึ้นมากๆผู้ศาันาก็เสื่อมไปนะอันนี้คือหลักของมันดังนั้นเองก็ามาว่าในนิชิตนี้ก็จะ <c oughs> เป็นเพื่อนดูแลกันมีอะไรก็ถ่ายถามสนทนากัน ทำผ้าพี่เลี้ยงได้ตลอดเวลาแต่ในช่วงบอดีบัตดเราก็กมีกติกาว่าเราจะไม่คุยกันเองในเรื่องที่ไม่จําเป็นถ้าจำเป็นต้องคุยก็คุยกันน้อยๆไม่คุยกันเสียงดังอย่างนี้ก็เป็นกติกาโดยทั่วไปหรือถ้าจะมีการเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวอย่างมีสติอย่างกาหนดรูปของใารของมันและอย่างผ่อนคลายและเป็นอิสระเรามีความสุขในการทำ แต่ถ้าหากเกิดความไม่สุขไม่สบายขึ้นมาก็ต้องหาคําตอบว่าเพราะอะไรมีการศึกษาแบบนี้นะเมื่อขณะที่ทําเราก็มีกติกานะเวลาเท่านี้เราทําอันนี้เวลาเท่านี้เราทำอันนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเข้าเรียนนั่แหละทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นกําลังของกันและกันเพราะผู้ปฏิบัตินะ่ะมีทั้งผู้ที่เข้มแข็งและมีทั้งผู้ปานกลางและอ่อนแอแต่ถ้าหากว่าเราร่วมปฏิบัติกันไปเหมือนเราได้ช่วย ซึ่งกันและกั น, นช่วยเหลือกันใช้กําลังเขาเรียกว่าสังฆะสังฆะคือผู้ที่เป็นกําลังของกันและกันเดินทางร่วมกันไปผู้อ่อนก็กําลังอใัยกําลังผู้เข้มแข็งผู้เข้มแข็งก็ใัยผู้อ่อนก็เดินร่วมกันไปก็สามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายปลายทางได้ทั้นนั่นเองอุปสรรคและปัญหาก็มันไม่ได้มีตลอดเวลามีแต่เมื่อเราแก้ไขมันไม่เป็น แต่เมื่อแก้ไขมันเป็นอุปสรรคปัญหานะั้นก็กลายเป็นปัญญาเป็นกำลังให้เรานะแต่ถ้าเราแก้ไขมันไม่เป็นหรือแก้ไขแล้วแก่อีกมันไม่หลุดก็ต้องมีผ้าพิเลียงมีผู้มีประสบการณ์คอยชี้แนะอีกทีหนึ่งว่าคนจะแก้ไขอย่างไรมันก็จะหลุดรอดไปไวแล้นเป้าหมายสูงสุด <c oughs> ของการปฏิบัติก็คือจิตเป็นอิสระจากการยึดมันถึงมันเท่านั้นเอง เนะมื่อเป็นอิสระแล้จิตก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนานะคือจิตเป็นอิสระจากสิ่งที่เราเคยยึดถือดังนั้ น, น, นมาว่าการฤิ ธ, ธิ์แต่ละครั้งถ้าจะมาอยู่ด้วนยะก็เหมือนเรามีเพื่อนมากขึ้นนะก็ทําให้เรามั่นใจในการปฏิบัตินะเพียงแต่ว่าเราจะทําให้มันต่อเนื่องได้อย่างไรหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง สร้างสรรได้อย่างไรแล้วเราจะใช้เวลาของเราให้อยู่กับการปฏิบัติต่อเนื่องได้อย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาและทำตามแล้วก็ตลอดเวลาถ้าเกิดข้อสงสัยนี้ก็อย่าเก็บเอาไว้อย่ามานั่งคิดเดินคิดแมว เ, เสียเวลา้นะอคนใส่มาถามเลยถามเข้าใจแล้วก็ทำทมก็เพียงแต่ว่าสร้างความรู้สึกดูทุกพร้อมในการเคลื่อนไหวให้ชัด ะจิตของเราที่มันยังไม่คุ้นมันก็จะอยู่กับื่อนไหวนี่ไม่ได้นานมันก็เไลยมันก็คิดออกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแล้วก็พยายามจะรู้มันออกให้รู้มันไปก็ขนาดนั้นคนะือมันไปแล้วนะแล้วก็ดึงกลับมาอยู่ปัจจุบนันทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งว่าตัวดูของเราเนี่ยชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนรู้ว่ามันจะออกเมื่อไหร่กลับเมื่อไหร่ในเห็นได้ชัดเจนทันที อันนี้ก็เรียกว่าผลของการปฏิบัติทําให้ความเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นของเราเนี่ชัดเจนมากขึ้นอันนี้คือความก้าวหน้าของปฏิบัติแต่ถ้าการไม่ก้าวหน้าก็คือความผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นของเรายังไม่ชัดเจนแต่ว่าเราไปเป็นผู้เป็นผู้คิดผู้อยากเสีอันนี้ก็ยังไม่ก้าวหน้าแต่เมื่อเราเป็นผู้เห็นใช้ส่วนใหญ่เห็นกายก่อนเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมชัดเมื่อเราเห็นชัดแล้วมันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นการ เงื่อนไขต่างๆของมันนะเพราะใ น, นช่วงเช้านี่มาเขาคิดว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราตันะ้งแต่เช้าละนะแล้วก็ในช่วงเจ็ดโมงช่วงนี้จนถึงเจ็ดโมงเขาก็ไปไในการาคนจริงการประกอบอาหารเช้านี่ไม่ใช่ให้ทำหลายคนทำคนเดียวนะวันละคน น่าจะดีกว่าเน้อถ้าสองคนก็ฝึก็ได้คุยกันดุ้งดิ้งๆุงดิ ง, ด ง, ด ง, ดง น, นะก็จะชินเอวันนี้เป็นมาเล่าของคุณหมออะคุณหมอไปทําจัดอะไรก็ได้ขึ้นโต๊ะฉันได้ข้างนั้นนะมีโฟนเอาไม้สักยา น, นึ่งก็ได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทำมากเพราะช่วงเช้ า, ชาก็ถือว่าเป็นการบําบัดความหิวนิดหน่อยเท่านั้นเองตอนเพินก็จะมีเจ้าผ้ามีโยมเข้ามาก็นี่พรในช่วงนี้ที่นี่เราจะไม่ทานอะไรมากเพราะทานมากไม่ได้มันง่วงเนาะ เป็นพลังของกายเพราะนั้นก็ทานน้อยๆอะไรก็ได้ผลไม้สองสามชิ้นขึ้นโต๊ะแบ่งกันกินแล้วก็แล้วไปไม่ต้องมาทำเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลามากมายแบบที่บ้านบ้านนี้เราจะกินเท่าไหร่ก็ได้แต่บารมาลิที่นี่เราพยายามให้น้อยเอาไว้เพื่อร่างกายมันจะได้เบาเมื่อร่างกายเบาเราก็ทำได้มากขึ้นนะแต่ว่า ไ ม, ไม่ถึงกับหิวนะเรามีอะไรเยอะแยะเราิวก็เอาอะไรหิวนี่แก้ง่ายกว่าอิ่มอิ่มนี่เดินกันไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังง่วงอยู่ใช่ไหมหิวแค่ยกแก้วน้ำใช้ปากกลอกเดียวก็แก้ไขได้แล้วแต่อิ่มนีห่หูแก้ไขกันชั่วโมงสองชั่วโมงยังไม่ตกบางทีทั้งวันแต่หิวนี่แค่นาทีสองนาทีก็แก้ไขได้เพราะนั้นเรายอมหิวดีกว่ายอมอิ่มนะแก้ไขได้ง่ายกว่ากันอขออนุโมทนานะเราจะได้ไปทําภารกิจต่ตอไปกลับมาพร้อมกัน Vielen Dank.